สมมติว่ามีร้านร้านหนึ่งเราเป็นเจ้าของหุ้นแค่สิบปอร์ซอีกเก้าสิอร์ซนี่เป็นหุ้นของเพื่อนนะเราจะเรียกว่าร้านนั้นเป็นร้านของเราได้อย่าง เต็มปากเต็มคำหรือเปล่านะเรามีแค่หุ้นมีหุ้นแค่สิบเปอร์เซ็นในร้านนั้นอนะีกเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นของเพื่อนนะเราคงพูดได้ไม่เต็มปากนะนะั้นว่าร้านนั้นเป็นร้านของเราให้ร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกันนะข้อมูลที่ล่าสุดนี่ก็พบว่า เซลทั้งหมดในร่างกายเราเนี่ยที่กำลังนั่งอยู่เนี่ยนะประมาณ 90% ซมันเป็นเซลแบคทีเรียไม่ใช่เซลมนุษย์นะเซลมนุษย์นี่มีแค่ส0ซในร่างกายนี้นะคือเขากลับมาว่ามีเซลแบคทีเรียประมาณ1้อยล้านล้านเซล เซลล์มนุษย์นี้แค่สิบล้านล้านเซลล์ก็ห่างกันห่างกันสิบเท่านะให้หมอนอย่างนี้นี่นี่เราพูดไม่ได้เต็มปากเต็มคำนะว่าร่างกายนี้เป็นของเรานะเพราะว่าแบคทีเรียก็กินเข้าไปแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นมันเยอะจริงๆนะเฉพาะในในในลำไส้เรา แบคทีเรียนี่เขานับดูแล้วนะเขาช่างดูและประมาณกิโลครึ่งนะที่เป็นแบคทีเรียมันเยอะจริงๆบางคนจะบอกว่าโอ้ยมันแบคทีเรียพวกนี้นมันมันแค่มาอาศัยนะพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะเพราะว่าไอ้แบคทีเรียที่มันเต็มร่างกายมนุษย์นี่ไม่ใช่แค่มาอาศัยนะแต่ว่ายังทำหน้าที่ เลี้ยงดูร่างกายนี้ด้วยคือช่วยทำมาหากินด้วยผู้ง่ายๆก็ประมาณว่าพลังงานในร่างกายเราก็ะมาณ 10-15% มันมาจากแบคทีเรียเหล่านี้มันมาได้ยังไงมันมาได้เพราะว่ามันมีคาร์โบไฮเดรตในที่มาจากผักนะ เวลาเรากินผัามก็มีคาร์โบไฮเดทคาร์โบไฮเดทหลายชนิดเนี่ยร่างกายเราย่อยสลายไม่ได้แต่ว่าที่มันย่อยสลายได้เพราะอาศัยแบคทีเรียเหล่านี้มันช่วยย่อยสลายแล้วก็ทำให้มีน้ำตาลที่ร่างกายสามารถจะดูดซึมได้ก็ทำให้เกิดพลังงานขึ้นมา นะถ้าไม่มีแบคทีเรียเหล่านี้อาหารที่เรากินเข้าไปหลายส่วนก็ย่อยไม่ได้ร่างกายเราไม่มีปัญญาย่อยนะนั้นพลังงานของเราเนี่ยนะอย่างน้อยก็ส0บเปอร์เซ็นหรือสิบห้าปอร์เซนนี่ก็เป็นอั น, นี้สงจากแบคทีเรียเหล่านีนะ้มันพอมันกินคาร์โบไฮเดรตประเภทนี้เข้าไปแล้วมันก็ ย่อยออกมาเป็นเป็นพวกกรดไขมันนะที่มันสามารถจะซึมผ่านลําไส้เข้าไปสู่กระแสะเลือดได้กลายเป็นน้ําตาลได้นมแม่ก็เหมือนกันนะนมแม่มันก็มีคาร์โบไฮเดรตบางชนิดที่เด็กเนี่ยร่างกายเด็กไม่สามารถจะย่อยสลายได้ก็สายแบคทีเรียในร่างกายเด็กนี่แหละมันทําหน้าที่ย่อยสลาย วิตามินหลายชนิดนะกมน็มนุษย์เราไม่มีปัญญาสร้างขึ้นได้นะเช่นวิตามินบ2สองบีสิบสองเนี่ยสิบสองนี่เราสำคัญมากนะแต่ว่าเราผลิตเองไม่ได้ต้องอาศัยแบคทีเรียมันช่วยผลิตให้นั้นจะพูดได้ว่าในร่างกายเราเนี่ยมันมันไม่ใช่ของเราแท้ๆนะไม่ใช่ของเราล้วน แปลว่ามันเป็นแบคทีเรียพวกนี้ก็เป็นเจ้าของด้วยนักวิทยาศาสตร์นี่มันก็ทำให้คำสอนทางพุทธศาสนาที่บอกว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเนี่ยมันมันเข้าใจชัดขึ้นเลยนะร่างกายนี่ไม่ใช่ของเรานะเพราะว่าถึงว่าจะเป็นของเราเราก็เป็นแค่หุ้นส่วนเล็กๆนะ สิ่งมีชีวิตอื่นนี่มันเป็นทุนส่วนที่ใหญ่กว่าอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าพ่อแม่ก็มีส่วนนะเป็นเจ้าของร่างกายนี้ด้วยในยีนของเราในโครโมโซมของเรานี่ครึ่งหนึ่งก็เป็นของพ่อครึ่งหนึ่งของเป็นของแม่นะ เพราะฉันใครที่ไปสําคัญมั่นหมายว่าเนี่ยร่างกายนี้เป็นของเราอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความหลงนะหลงทั้งในทางพุทธศาสนาแล้วก็หลงทั้งในทางวิทยาศาสตร์ด้วยที่จริงมาดูแล้วเนี่ยพูดถึงความความการมีส่วนในการสร้างหล่อ เ, เลี้ยงร่างกายนี้ บางคนจะบอกว่าโอ้ชันมีส่วนในการสร้างเลี้ยงดูล่างกายนี้มากกว่าเห็นไหมขนาดพลังงานส่วนใหญ่ 80% ดเอซก็มาจากล่างกายของชั้นนะแค่ 15% ที่มันมาจากการทำงานของแบคทีเรียแต่มาดูจริงๆเนี่ยบางทีเราก็บั่นทอนร่างกายของเราเยอะนะล่างกายนี้เนี่ยเวลาเรากินอะไรเข้าไป เรากินสิ่งที่เป็นพิษเข้าไปเยอะๆเลยร่างกายประท้วงนะเช่นเหล้าบุหรี่เนี่ยแบลทีเรียนี่มันไม่ได้ทำร้ายร่างกายเราขนาดนั้นนะแต่ว่าเราต่างหากที่ทำร้ายร่างกายเราเองกินสารที่เป็นพิษเข้าไปร่างกายก็ประท้วงว่าไม่ไหวแล้วนะพวกควันบุหรี่หรือว่าแอลกอฮอล์ มีความเจ็บความป่วยแต่ว่าคนก็ไม่ยอมเลิกนะก็ยังอัดควันบุหรี่เข้าไป อ, าอัดเลาแอลกอฮอล์เข้าไปทำร้ายร่างกายตัวเองแท้ๆอันนี้มันก็เกิดจากมือมนุษย์นะแบคทีเรียนในร่างกายเราไม่ทำขนาดนั้นนะ ก็มีแต่ทหน้าที่บํารุงเลี้ยงร่างกายเพราะว่าเขาถือว่าร่างกายนี้เป็นบ้านของเขานะเพราะนั้นเนี่ยพวกแบคทีเรียน้อยๆพวกนี้เนี่ยก็พยายามที่จะรักษาเวลามีเชื้อโรค เ, เข้ามาในร่างกายแบคทีเรียมันก็ทํางานกันนะมันคอยขับไล่ขับไล่พวกเชื้อโรคบางชนิดนะไม่ให้เข้ามา ในร่างกายนี้มันมีเดี๋ยวนี้มันมีมีคนจำนวนมากเนี่ยที่เป็นโรคติดเชื้อในกระแสะเลือดคือมีแบคทีเรียที่มันแพ้ที่มันดื้อยาปฏิชีวนะยาปฏิชีวนะธรรมดาธรรมดานี่ ทำแรงมันไม่ได้ต้องใช้ยาปฏิชีวนะที่แรงมากซึ่งพอใช้ยาที่แรงเนี่ยมันก็มีอันตรายต่อร่างกายเดี๋ยวนี้ก็พบว่าวิธีรักษาวิธีจัดการกับไอเชื้อตัวนี้เนี่ย <c oughs> ก็คือเอาเอาเชื้อเอาแบคทีเรียในร่างกายคนปกติจากลำไส้คนปกติเนี่ย ใส่เข้าไปทํายังไงก็ใช้วิธีสวนทวารใช้วิธีแบบที่เราล้างล้างดีท็อกกันเนี่ยดีท็องที่เราก็เอาน้ําฉีกเข้าไปในในลำไส้ใช่ไหมเขาก็เติมพวกพวกแบคทีเรียที่มาจากลําไส้พวกมันคือมาจากอุจจาระนั่นเองกันนะใส่เข้าไปพอกว่าแบคทีเรียเหล่านี้เนี่ยมันก็เข้าไปก็ไปฆ่า ไปฆ่าเชื้อตัวที่ดื้อยาเนี่ยมันไปฆ่าเชื้อตัวที่ดื้อยาก็ทำให้หายจากไอความเจ็บป่วยได้โดยที่ไม่ต้องกินยาเลยเข้าไปเลยไอคนที่ตายเพราะเชื้อตัวนี้นี่ในอเมริกานี่ก็เป็นหมื่นคนนะเป็นหมื่นกว่าคนแล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันมันดื้อยามาก แล้วที่มันดื้อยาก็เพราะว่าเราเนี่ยกินยาปฏิชีวนะมากเกินไปกินยาปฏิชีวนะจนกระทั่งมันดื้อยาพอมันดื้อยาแล้วคนนี้ยาธรรมดาเอาไม่ได้ต้องใช้ยาหนักๆเนาเดี๋ยวนี้เนี่ยก็กลัวว่าไอ้ยาปฏิชีวนะที่มีเนี่ยจะที่มีในโลกนี้จะจัดการกับตัวนี้ไม่ได้นะมันเป็นซูปเปอร์เลยนะเป็นซูปเปอร์แบคทีเรียเลยที่เรียกว่า มนุษย์เราเอาไม่อยู่แล้วแต่ว่าไอ้แบคทีเรียในร่างกายเอาหรือร่างกายคนปกตินี่จัดการกับมันได้นั่นก็เรียวมันก็มีคุณประโยชน์มากแต่คนไม่เข้าใจคนทุกวันนี้ไปรังเกียจบคทีเรียแล้วก็ไปทําลายมันโดยไม่รู้ตัววิธีทํำลายคือกินยากินยาปฏิชีวนะเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปนี่มันก็ไปไปเล่น ง, งานแบคทีเรียที่มีประโยชน์หมด ในหัวในลําไส้ไอตัวที่ดื้อยามันก็มีแต่ว่าพอมันดื้อยามันกลายเป็นเป็นพวกเพี้ยนไปนะบางทีมันก็เป็นตัวแปกปลอมเข้ามาข้างในนะแปกปลอมเข้ามาข้างในก็แต่ก่อแล้วก็กินยาแบบ ก, กินยาปฏิชีวนะก็หายแต่ว่ากินมากๆเข้ามันดือ้อขณะอาการในตัวที่มีประโยชน์นะก็ตาย แม้คงไม่ต่างจากการที่เราฉีดยาฆ่าฆ่ า, มาแมลงฉีดยากําจัดศัตรูพืชนะปบอกว่าไอ้มแมลงที่มีประโยชน์ดันตายแต่มแมลงที่ไม่มีประโยชน์กับดื้อยาอย่างเช่นพวกเต่าทองพวกนี้นี่มันตายพวกนี้มีประโยชน์มากในการควบคุมศัตรูพืชนะพอเราใช้ฉีดยาฆ่ า, มาแมลงเข้าไปมันก็ตายเพราะมันอ่อนแอ แต่ตัวที่ไม่เป็นประโยชน์นี่กับดื้อยามันก็เลยระบาดใหญ่เลยคนนี้เพราะว่าไม่มีการคุมกันแล้วแต่ก่อนมันมีการคุมกันอยู่ในทีนะแต่ว่าพอเราไปจัดการกับตัวที่ดีหมดนะไอ้ตัวที่ร้ายนี่มันก็เลยสบายเลยแพร่กระจายกันใหญ่อย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี่นะพวกมแมลงต่างๆนี่มันระบาดมาก มันลบาดแบบที่เรียกว่าอิสระเสรีเพราะว่ามแมลงที่เคยคุมมันอยู่หรือรวมทั้งนกนะที่เคยคุมมันเอาไว้ก็ล้มตายกันหมดเพราะว่ายาฆ่ามแมลงที่เราฉีกเข้าไปอันนี้ก็เกิดขึ้นกับในร่างกายของเราเหมือนกันนะร่างกายเราก็มันก็มีสิ่งที่มีประโยชน์มากมายแต่พอเราไม่สบายเออาก็กินยาปฏิชีวนะเข้าไปนะ มันก็ไปทำลายแบคทีเรียที่ดีหมดนะและแบคทีเรียที่ไม่ดีก็เลยเบ่งบานเต็มที่เลยแล้วเราก็พยายามผลิตยาปฏิชีวนะที่แรงกว่า น, นั้นไปไปม า, มาก็เชื้อก็ตายคนก็คนก็แย่นะมันคงเหมือนกับเราโจนจับตัวประกันเอาไว้ในบ้านเนะี่ยตำรวจนี่ก็ทำยังไงอะ่ะ ทำไงได้จับโจนได้นวก็เอาปืนใหญ่เอาระเบิดทิ้งลงไปในบ้านนั้นเอาปืนใหญ่ยิงเข้าไปในบ้านเป็นยังไงโจนตายตัวประกันก็ตายด้วยน ะ, ะร่างกายเรานี่มันอย่างทุกวันนี้เราจัดการกับเชื้อโรคแบบนี้แหละนะก็คือถลม่มถล่มเชื้อโรคเข้าไปแต่ปรกว่าร่างกายก็ย่ำแย่อย่างยาปฏิชีวนาแรงที่เรากินเข้าไปหรือว่าพวก การรักษามะเร็งด้วยเคยมีบำบัดหรือว่าการใช้แสงนี่บางทีก็ทำให้มะเร็งก็ตายคนก็จะเกือบจะตายด้วยเหมือนกันนะบางคนก็ไม่ไหวขอเลิกนะเพราะว่าขืนรักษาแบบนี้ฉันตายแน่แต่ว่ามันมีวิธีที่ง่ายกว่านะั้นคือว่าเอาเอาเชื้อจากร่างกายหรือจากท้องนะ จากลำไส้ของคนที่ปกตินะถ่ายเทเข้าไปในร่างกายคนที่ติดเชื้อก็ได้ผลนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของแบคทีเรียที่เราต้องมองเราก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกไว้นะว่าเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของร่างกายนี้ด้วยนะไม่ใช่เป็นไม่ใช่บอกว่านะร่างกายนี้เป็นของเรา เรามีหุ้นแค่10เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าแบคทีเรียต้อง90เปอร์เซ็นตะ์